ใครสวดที่ไหนก็กตามแต่ให้จำเอาไว้ประมุตจันตุไม่ใช่ประมุนจันตุจงพ้นจากทุกเถิดเสร็จมาดูสเบสตาสดาหวนตุนี่นะามาบาลีแถวสุดท้าย <c oughs> บาลีแถวสุดท้ายกะตังปุญญาภะลังปุญญาภะลังไม่หั่งสเบพาขีพระวันตุเต ไม่ใช่ปุญยังไม่ใช่ปุญญั ง, ม, ญญงมันห่างกันแล้วกับพลังนี่ผิดปุญญะพลังนี่มันติดติดกันเลยไม่ใช่ปุญยังเป็นปุญญะพาลังเขียนขีดตัวงอออกเอาใส่สระอาแทนปุญญะาพาลังกระตังปุญญะพลังนักปะเรลียนเก้าเขาดูแล้วเขาบอกว่ามันไม่ถูกเอามาแปลมันไม่ใช่ปไปไดเป็นคำนี้ ไอ้ปุญญะพะลังมันติดกันนะปุญยะพะลังมันติดกันไม่ใช่ปุญยังพะลังนให้จำเอาไว้การสวดการสวดในเมื่อเราเป็นนักสวดสวดมาเรื่อยๆสวดมาบ่อยๆเราต้องคำนึงถึงความไภ่ละไม่ใช่สวดว่าได้ว่าเอาตะโกนได้ตะโกนเอาเสียงใครดังได้ดังเอาไม่ใช่ สวดหมดท้งนี้ให้มันกลมกล่อมฟังให้มันไพเราะให้มันมันสละสลวยมันจะไม่เตะเสียงมันจะไม่เตะกันถ้าเราสวดรู้จักเสียงสั้นเสียงยาวจะสวดถูกกันหมดกี่สำนักถั่วสวดถูกกันหมดทีฆะเขาเรียกว่าเสียงยาวรัศฐทีฆะรัศะทีฆะเสียงยาว เสียงยาวคือเสียงที่มันประกอบไปด้วยสระสระอาสระอิสระอูสระเอสระโออารีอูเอโอสระใดก็ตามที่ประกอบไปด้วยอารีอูเอโอเราว่ายาวแท้ที่จริงมันก็ออกยาวปกติของมันอยู่แล้วแต่เราพยายามไปลากเสียงให้มันตัวยาวเท่ากับสั้นสั้นเท่ากับยาวมันเลยมันเลยสวดผิดมันไม่ทําให้เกิดความกระับกระเชง มันจะไม่เป็นการกระชับกระเฉงในการสวดในคําสวดเสียงยาวว่าเป็นสั้นเสียงสั้นว่าเป็นยาวถ้าตามหลักของพระแท้ๆเนี่ยแม้แต่ไปสวดกรรมวาจาบวชนาเออยกถินเออยอะไรต่ละเอยอยก็ถือว่าเป็นกรรมวาจาวิบัติวิบัติหมายความว่าใช้ไม่ได้เสียงสั้นว่าเป็นยาวเสียงยาวว่าเป็นสั้นเสียงสั้นต้องว่าเป็นสั้นเสียงยาวต้องว่าเป็นยาวอีโ อ, อ, อ, อ, อ, อ อังสรงนี่ก็สั้นเนี่ยเออยเอยอาหุนยโยปาหุนยโยนี่คืเสียงสั้นสรางกะตังปุญญะพระลังปุญญะพระลังเราสวดไปเราเลยจะขอให้เราจําหลักได้แค่นี้ไปสวดที่ไหนถูกกันหมดแต่ถ้าเราไปสวดสํานักอื่นเขาพาลากกไปอืดอืดตามเขาอีกเหนื่อยอู้ลากไม่ไหวแหละสวดไม่มีทีฆาตศาักดผิดผิดกรรมวาจาเขาเรียก ผิ ว, าวา ah k k ่าจาว่าจาคือคาพูดเน่เสียงสั้นว่าเป็นสั้นเสียงเสียงยาวต้องว่าเป็นยาวจาง่ายๆเอาสระขมัน A I U I T P ยัอไง I T I T P I T P o I T o ลองเราไปลากเสียงมันเป็นมันไม่ใช่สีอแล้วมันเป็นสีอีไปแล้ว I อ เปว่ายาวได้ใช่ไหมอีกจุอิติปิอิติปิสโสภะกวาอาระอระหังสัมมาสัมบุตโทนมันจะเป็นยาวเป็นสั้นของมันเราจับหลักได้แค่นี้เราไปหัดว่ามันจะถูกกันหมดเสียงที่มีเสียงที่สะกดว่ายขาด สัมสัมส ม, มาสัมบุตโธกรร ม, มสกาเนกรร ม, มดาญาดาเนกรร ม, มดาญาดากรร ม, มโยนิกรร ม, มบรรทุกรร ม, มะปะุติสรารนนยงมมังกรังกระ ด, าาดาิสันติกคลียนองวาปาปังวาตัสสะดาญาดาภวิตสันติสันติเนี่ยเสียงสะกดต้องว่ามันขาดไปเลย ปุญญสิฎานิกตัฏฐะเนี่ยสะอาลองว่ายาวดูมันไม่ใช่สะอาดนี้ยมันเป็นสะไปแล้วตกตัฏฐะเนี่ยมันมันชักจะกลายเป็นสะอาไปแล้วกตัฏฐะปุญญสิฎานิกตัสฐะปุญญสิฎานิกะตัฏฐายานยานกตาณิเมมันมันมันมันถ้าเราลากเสียงแล้วมันจะ เพียนไปหมดแหละมันไม่เคยฉับไม่เคยงแล้วก็สวดเหนื่อยเหนื่อยเราดูที่ใครเป็นนักสวดนะบางบางบางแห่งสวดไม่มีเสียงสั้นเสียงยาวเคยเจอแล้วแหละโอ้แล้วก็เสียงดังซะด้วยน ะ, เ, ยนระ เ, รเราแก้ไม่ได้เลยในระหว่างที่เราสวดเราแก้ไม่ได้เหนื่อยมากลาก้าเหมันขบวนรถยาวๆลาบอืดอืดออืลา ก, ลากไม่ไหวอืม ได้จริงสวดลองสวดให้ได้เสียงสั้นเสียงยาวโอ้ไเร่เข็มเข็มเชิไเงไม่เร็วไม่ช้าพอดีพอ ด, พอดีแล้วก็ไพร่เนี่ยการสวดนี่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะอย่าลืมว่าการสวดนี่มันเป็นการสวดภาษาธรรมะก็ดูอย่างเราสวดบุญยศิดานิอุทิศส่วนบุญเนี่ยเราสวดแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเนี่ยสเบสตาสนาหุนโตเนี่ย แล้วก็สวดพิจารณาถึงกรรมทั้งหลายพระมหาวิหารเนี่ยพระมวิหารพารณาเนี่ยเมตตาตนเมตตาท่านเนี่ยอะหังสุขิโตโหมินิดุโคโหมิอเวโรโหมอิอัภิยาปโชอภิยาอัิยาปโชโหมิอณีโคโหมิ ถ้าเราสวดสำเนียงมคตได้ยิ่งไพเราะเลยเช่นอย่างอั น, นี้คออั น, นี้คอมิคอระครังเสียงหลงคอเนี้อยอบยาพอพอพานเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวบอถ้าเป็นภาษามคตนะอบยาปัชชชอเคยเชอเนี่ยเสียงหลงคอคอระครังเสียงหลงคอถ้าเราได้สำเนียงมคตด้วยเนี่ยยิ่งไพเราะเราฟัง ครูบาอาจารย์พระมหาธีระก็าสวดนะสวดพระแต่ถ้าเราฟังสวดตามวิทยุเดี๋ยวนี้เพื่อนสวดเป็นสังโยคหมดสวดเป็นสังโยคหมดไม่ใช่สวดเป็นมรดสวดเป็นสังโยดสังโยกมหานิกายเขานิยมสวดสังโยกทำยุทธเราก็พลอยสวดสังโยกไปด้วยกันหมดแต่ถ้าท่านสวดเฉพาะทีมของท่านเนี่ยท่านสวดเป็นมคตหมดแล้ว นิดุกนิดุกนิดุกเข้าหอมิอเวรโรหอมิอเบยาปัชโชหอมิอนีโคหอมิสุขีอัตตานังปริหารามิสับเบสัตตาสับเบแท้ที่จริงออกสำเนียงมคตแทะ้ต้องพอพานออกเป็นตัวเบาสับเบสัตตาสุกิตาห่นโตห่นห่นมันมีตัวสะกด ยาวก็ไม่ได้เสียงสั้นหนตุสเปสัตตาสุกิตาหนตุสเปสัตตาอเวราหนตุสเปสัตตาอเบยาปัชชาหนตุสเปสัตตาอนิคาหนตุสเปสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปสัตตาสัปปะดุขาปมุตจันตุปมุตจันตุปมุตจันตุไม่ใช่ปมุนจันตุ มุจจะมุจจะแปลว่าพ้นมุจจะมุจจะวิมุตติวิมุจจะมีมุตติวิมุตจะวิมุจจันตุประมุจจันตุสเปสตาลทัสมปติโตมาวิกตชันตุขอวายเป็นกอไก่เจ้าจานกัดกัดกัดกัดเสียงที่คนลิ้น สับเบสตาส ก, กามสกากรรมดาญาดากรรมยนิกรรมบันทุกรรมปัตุสารนนพุญญะกะตังกะตังปุญญะพะลังไมหังสับเบพาคีพระวันตูเตมันเป็นคําเดียวกันปุญพยะพะลังไม่ใช่พุญยังพลังถ้าเป็นพุญยังพลังมันสําเร็จรูปเป็นตัวของตัวมันมันจะแปลเป็นเป็นเป็นอย่างอื่นไป ไม่จําเป็นจะต้องปุญญังเป็นปุญญะพลังเพราะมันจะต้องมาเชื่อมกันบุญกับผลบุญมาเชื่อมกันพลังคือผลบุญปุญญังเตซสาซสาสิชาตังโสภาณ <c oughs> ทําเต่าสวดแค่นี้แหละทำเต่าสวดไม่มากเดี๋ยวนี้โมเขาเอาพาหงบ้างอะไรบ้าง วันไหนเราไม่ลงเขาก็เอาไปประหงบางวันเราก็พาสวดเยอะกว่านี้เราพาสวดธทาตทุธาตุธาตุปฏิกูลด้วยอย่าธาปัจจยังปวัตตมานังนี่พิจารณาธาตุเป็นของปฏิกูลโสโครกสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องอยู่มันเป็นบทสวด มันเป็นการท่องบนมันเป็นเป็นการสาธยายมันเข้ากันท่องบนสวดมนภาวนาสมัยพุทธกาลนั้นประชาชนเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบเช้าเข้าไปกราบเย็นนะประชาชนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบเช้าเข้าไปกราบเย็นที่ตอนนี้พระองค์ล่วงไปแล้วเหลือแต่ กิตติสัพเหลือแต่ชื่อเสียงเหลือแต่บุญเหลือแต่คุณเหลือแต่คําสอนเหลือแต่หลักคําสอนเพราะฉะนั้นรัรชกาลที่สี่ท่านจึงมารวบรวมเป็นบททำวัดเชา้ารมวัดเย็นก็รวบรวมจากบทธรรมะเหล่านี้แหล ะ, ะมารวบรวมรวบรวมเป็นทำวัดเชา้าทำวัดเย็นหมายความว่า เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เจ้าตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเย็ยนและมันเป็นการกล่อมกล่าวจิตใจของเราด้วยจิตใจเยือกเย็ยนจิตใจเป็นผาสุขลืมความทุกข์ลืมความปั่นป่วนของตัณหาที่มันมาปั่นป่วนหัวใจของเราด้วยเหตุที่เราเอาใจของเรามาใช้และการใช้ท่องใช้บน่นใช้สวดเนี่ย มันเป็นการใช้จิตของเราอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่นึกคิดลอยเรื่องล่องลอยเรื่อยเปื่อยเพราะคําเหล่านี้มันเป็นคําที่ท่านเรียงเรียบเรียงมาแล้วมันเป็นการใช้สัญญาที่เป็นระเบียบเหมือนกับมันเป็นการบังคับให้จิตของเราหัดยึดหลักถือหลักว่าไปตามหลักเพราะหลักอันนี้มันเป็นหลักที่เป็นหลักธรรมเช่นอย่างบทพิจารณาบทพิจ บทพิจรารณาอุเบกขาเนี่ยกรรมสโกมหิก ร, รมดายาโดก ร, รมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณาเมตตาก็าแล้วคนเราเนี่ยกรุณาก็าแล้วมุจิตาก็าแล้วต้องอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ยูเฉยโดยไม่ได้ทําอะไรไม่ใช่ปรองถึงเรื่องกรรมกลายเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดอุเบกขาเป็นการปรองถึงเรื่องกรรม โอ้กรรมของท่านโอ้กรรมของเรามันก็จบถ้าเราไม่ปลงถึงเรื่องของกรรมมันไม่จบนึกโ อ, ไไอ้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อืมเราตั้งใจทําคุณงามความดีขนาดนี้เราไม่ได้ไม่น่าจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนขนาดนี้อคิดไปสารพัดเพราะกิเลสตัณหาความชอบใจความไม่ชอบใจมันผ่านึกผาคิด การพิจารณาอุเบกขาท่านจึงให้ปรองลงในกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแท้ที่จริงเราก็อยู่ด้วยกรรมเรามาด้วยกรรมเราก็มาอยู่ด้วยกรรม แล้วเราไปเราก็จะไปด้วยกรรมเราพูดถึงเรื่องกรรมพวกเราทั้งหลายมักจะหมายถึงกรรมเก่าๆที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติหรือตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเด็กเป็นเล็กแท้ที่จริงกรรมปัจจุบันนี้กรรมในปัจจุบันทันตาทันใจเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้นี่อันนี้สำคัญที่สุดโดยเหตุที่กรรมปัจจุบันนี้แหละ เราไม่ได้สํารวมไม่ได้ระมัดระวังมันล่วงไปแล้วมันก็เป็นอดีตกรรมล่วงไปแล้วเป็นอดีตกรรมแต่ทุกคนมีทั้งกรรมกรรเก่าแล้วก็มีทั้งกรรมใหม่บางครั้งกรรมรุนแรงที่มันจะให้ผลมันจะมีกรรมเก่ามา บ, บวกกับกรรมใหม่มันให้ผลกันเหมือนอย่างคนที่เคยผูกคอตายเนี่ยคนที่เคยฆ่าตัวตายเนี่ยเขาบอกว่าใครเคยฆ่าตัวตายก็จะฆ่าตัวตายอยู่อย่างนั้นแหละห้าร้อชาติอ่า ง, งั้นเถอะ พอมาเจอปัญหาเดิมเจอปัญหาเดิมๆที่เจ้าของเคยทํามาแล้วตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยมันก็ตัดสินใจลงช่องนั้นเกิดปัญหาเดิมๆ ม, มันก็ตัดสินใจลงช่องนั้นน้อยใจนิดหน่อยอะไรไม่พอใจนิดหน่อยหนีทุกพยายามหนีทุกขอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายร้ายกาจอย่างร้ายแรงที่สุดฆ่าตัวตายยิงตัวตายมัดคอตัวตายโดดตึกตาย โดดน้ําตายอะไรก็แล้วแต่ให้รถถับทับตายเนี่ยอก mm. ินยาพิษตายเนี่ยพวกนี้ท่านเรียกว่าทำอัตตะวินิบาตทํ <c oughs> าชีวิตให้ตกล่วงแปลว่าทําชีวิตให้ตกล่วงอัตตะวินิบาตออัตตะแปลว่าตนทําชีวิตของตอนให้ตกล่วงมันเป็นการดับทุกข์ไม่ถูกที่ แค่ที่จริงการดับทุกนั้นท่านไม่ให้มาดับตัวทุกนะท่านให้ไปดับเหตุให้เกิดทุกขเราพูดมาถึงนี้มันก็เข้าหลักอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมากทุกสมุทัยนิโรธมา ก, ก, มรรมกเราต้องการฆ่าตัวเราตายเหมือนเราต้องการดับทุกแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เหตุดับแล้วก็ยิ่งเพิ่มอีกเพิ่มเหตุใหม่สร้างเหตุใหม่ขึ้นอีกดับแล้วยิ่งสร้างเหตุใหม่ขึ้นอีกดับแล้ว ย, ยิ่งสร้างเหตุใหม่ขึ้นอีก ยิ่งว่ามันได้บุญนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระดับจิตใจขึ้นอยู่กับระดับจิตใจยิ่งปุถุชนไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักของศีลของสมาธิที่แนบแน่นมั่นคงไม่มีหลักของปัญญาที่แนบแน่นมั่นคงมีแต่เรื่องเสียมีแต่เรื่องร้ายที่ท่านเรียกว่าจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองส่วนมากปุถุชนเราฆ่าตัวตายด้วยในขณะที่จิตเศร้าหมอง จิตเศร้าหมองจิตเสียใจจิตน้อยใจจิตผิดหวังอ่าจิตหนีทุกขจิตหนีโทษมันเป็นจิตเศร้าหมองอยู่แล้วมันเป็นจิตเศร้าหมองฉันพยายามหนีทุกขอืด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจเราก็พยายามไปไปไปหนีทุกหนีทุกคือคือข่าตัวตายแท้ที่จริงมันไม่ใช่เหตุอันนี้มันเป็นตัวผลท่านให้เป็นดับที่เหตุลงตาขึ้น ท่านจึงให้กําหนดทุกย้อนไปดูสมุทยัยกําหนดทุกย้อนไปละสมุทยัยกําหนดทุกขย้อนไปละสมุทยัยเราพิจารณาดูในแง่ข้อเท็จจริงจริงอย่างที่ท่านว่าไหมอันนี้เป็นหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนหลักอันนี้เป็นหลักที่พระองค์ได้ตรัสรู้เองเป็นวิธีการที่พระองค์ทําขึ้นมาเองเป็นประสบการณ์ของพระองค์เองไม่มีใครบอกไม่มีใครสอน เพราะฉะนั้นเวลาพระองค์บรรลุ ธ, ธรรมมาพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพอเวลาไปพระองค์มีรัศมีเ ป, ปล่งปลั่งเอท่านมีรัศมีเ ป, ปล่งปลั่งอท่านมีคุณธรรมท่านไม่ธรรมดาท่านไม่ธรรมดาท่านมีคุณธรรมท่านมีรัศมีเ ป, ปล่งปลั่งใครเป็นครูท่านใครเป็นอาจารย์ท่านเราเป็นสยามภู เขว่าสยามภูคือเราเป็นเองแปลว่าเราเป็นเองสยามภูแปลว่าพระผู้เป็นเองเป็นเองนะอุปกะรเนีถามพระองค์คนแรกนีพระองค์ตอบว่าเราเป็นสยามภูอุปกะไม่เชื่ออทุกคนที่รู้นี่จะต้องได้ยินได้ฟังจากอาจารย์ทั้งนั้น่ะคิดเองรู้เองไหมรู้สึกว่าพูด ก็นั่งเกินไปแข็งเกินไปอวดตัวดีเกินไปมีคนมีคนไปพูดเสริมว่าไม่พอใจอุปกาะไม่พอใจแลบ p ลิน้นลิ้นตาถุยน้ำลายเดินหลีกไปเฉยไม่ใช่ดอกเขาพูดได้มันเข้าเฉยเฉยดอกออุปกาอุปกาะตอนหลังมาทั้งกับอกหักเหมือนกันอุปกาชีวกนี็เป็นนักบวชนะ<อ>เป็นนักบวชนี่ก็บนายพราน เขาให้ไปพักที่ใกล้ๆบ้านเขาอืเพื่อเขาจะได้เลี้ยงดูอุปกรณ์นี่นี่ท่านพูดถึงนักบวชสมัยนั้นนะ่ะอุปกาณเป็นนักบวชนะอนายพรานคนนี้มีลูกสาวงามกลังรุ่นอมีอยู่วันหนึ่งพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่ก็ให้ลูกสาวเนี่ยเอาอาหารไปส่งนพ่อเขาไม่อยู่พ่อเขาไปต่างจังหวัดนะไปต่างถิ่น ให้ลูกสาวเอาเข้าไปส่งไปขโมยรนะักลูกสาวเขาอุปการ์ตตั้งแต่นั้นมาไม่ยอมกินข้าวเลยไม่ยอมกินข้าวเลยนอนละเมอเพลิพกอยู่นั่นแหละพอในพรานคนนี้มาก็เลยไปถามดูอุปการ์กำลังละเมอเพลิพลกถึงถึงลูกสาวความงามของลูกสาวพอดีโ อ, โอ้ท่านไม่สบายท่านป่วยอะไรเป็นยังไงไม่ครับ ทานไม่ฉันข้าวไม่อะไรจะอะไรเนี่ยถทำ oh oh oh oh. คุยไปคุยมาทราบแม่ในพรานคนนั้นก็เลยยกลูกสาวให้ท่านทําอะไรเป็นน่ะเขาให้เป็นลูกเขยเลยท่านทาอะไรเป็นบ้างทํานู่นก็ไม่เป็นทํานี่ก็ไม่เป็นถ้า ง, งั้นหาบเนื้อหาบเนื้อตามเป็นไหมเออพอได้หาบเนื้อตามเขาหาบเนื้อไปขาย หาเนื้อตามเขาไปฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นทำาหากินอะไรก็ไม่เป็นอยู่ด้วยกันได้ลูกคนหนึ่งอยู่ด้วยกันได้ลูกคนหนึ่งเมียมันเห็นว่าผัวมันไม่กาาับตาไม่มีน้ํายาทำอาหากินไม่เป็นเป็ น, ปนทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยอก็เลยไปเฮกล่อมลูกแล้วกระทบอุปกะอยู่เรืเอ่อยเฮกล่อมลกูกลูกบากลูกบากนี่ลูกบกักอย่างนั้นอย่างนี้ กระทบเมือกระเมียดได้ทุกวันหน่อยโอ้ไม่ได้แล้วเราเดือดร้อนแล้วหนีไปอีกหนีไปบวชอีกหนีไปบวชอีกก็ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นแหละไปนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นแหละไปตามตามหาตามห า, า, มหาจนพบจนเจอเราเราไม่ทราบนะบรรลุอุปะการได้บรรลุ ค, คุณธรรมเมื่อเปล่าบรรลุอ่า ไ, ได้รับได้รับฟังเรื่องเล่าประกอบนิดหน่อยแค่นี้นี่คือคนเจอพระพุทธเจ้าคนแรกเสียจแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร เจอครั้งแรกไม่ได้ประโยชน์แต่ตอนหลังมาเนี่ยตามหาพระพุทธเจ้าได้หรือตามหาพระพุทธเจ้าเพราะติดติดในความพิเศษของพระพุทธเจ้านี่แหละตามหาเพื่อจะได้บวชจะได้ศึกษาธรรมจะได้ประพฤติธรรมถ้าตามเจอได้บวชต้องได้อาดได้ธรรมเพราะคนเขามีบุญใครก็ตามที่เกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเกิดในกาลสมบัติกาลสมบัติในการเวลาที่เป็นสมบัติไม่ใช่วิบัติ ในการสมบัติได้พบได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้บอกได้รับคําบอกได้รับคําสอนได้ตั้งใจประพฤติตามเอาข้อเยี่ยงอย่างมาถือตามมาประพฤติตามมาปฏิบัติตามได้อัดได้ทําได้บรรลุมรรคผลส่วนมากพวกนี้จะเป็นผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาก่อนทั้งนั้นประวัติย้อนหลังพวกนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เป็นยุคเป็นยุคเป็นคราวเป็นครา ว, วเคยมีความเกี่ยวข้องกันเช่นอย่างพระสาริบุตรพระมกขลานะพระานนท์เนี้ยพระกัศปะพระมหากัศปะพระมหากัจจายนะอย่างเงี้ยเคยมีความเกี่ยวข้องมีประวัติเกี่ยวข้องในอดีตกรรมกับพระพุทธเจ้าออมาด้วยกันทั้งนั้นนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงอุเบกขาคือการพิจารณา คือวางเฉยวางเฉยไม่ใช่เฉยซบือซื่อเหมือนต้นเสาเนะี่ยไม่ใช่ท่านให้ปรองพิจารณาถึงกรรมโอ้กรรมของสัตว์บางคนในเมตตาต้องการจะช่วยให้เขามีความสุ ข, ขพยายามช่วยอย่างนั้นช่วยแล้วก็แล้วพยายามช่วยอย่างนี้ช่วยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้อากําลังประสบความทุกข์อยู่หนักสาหัสแท้ๆ แ, แหละพยายามใช้ความกรุณาเพื่อจะไปช่วยเขาช่วยอย่างนั้นก็นแล้วช่วยอย่างนี้ก็แล้ว ช่วยอย่างงั้นก็ยังไม่หมดช่วยอย่างนี้ก็ยังไม่หมดแก้เปาะนั้นให้กับเลือเป้อนี้แก่ป้อนี้ให้กับเลื้เปาะนั้นอืแล้วก็อุมุติตาบางคราวเขาไปประสบความสมหวังบ้างอะไรบ้างกับพลอยปลยื้มยินดีไปกับเขาที่เรียกว่ามุติตามุติตาพลอยยินดีไปกับเขาอืเมตตากัแล้วมุติตากัแล้วออ่า มุจิตากรุณากะแล้วมุจิตากะแล้วช่วยอะไรเขาไม่ได้สักอย่างอ่าเพราะกรรมของเขาก็คือกรรมของเขาเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นว่าเขาไปทํากรรมอะไรมากรรมหนักหนาสาหัสจบเปราะนี้ไปเข้าเปราะนั้นจบเปราะนั้นมีอันนั้นมามัดมีอันนี้มามัด เ, เรื่องของกรรมนี่มันต่อเนื่องกันอยู่เติบเติมื้ไม่จบคนเรายิ่งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจึ่งไม่รู้หลักของศีลธรรมด้วยแล้วเนี่ยก็กรรมทําเข็นไม่มีประมาณ ไม่มีประมาณกรรมทั้งหลายทำลงไปแล้วมันเป็นการลงมือสร้างเหตุพอเราสร้างเหตุลงไปแล้วผลต้องผลจะต้องตามมาอย่างแนง่นอนเมื่อพิจารณาอย่างนี er. ้แล้วไม่ได้ผลท่านก็ให้มาปรงอุเบกขาวางเฉยอุเบกขาวางเฉยวางเฉยหมายความว่าปล่อยไปตามบุญตามกรรมของใครของเราโอ้กรรมของเขาโอ้กรรมของเราเราพิจารณาปรงไปที่อื่นมันไม่จบ ไปโอ้ผีทำเปรตทำอมนุษย์ทำโชคไม่ดีลางไม่ดีอะไรคือโชคไม่รู้อะไรคือลางไม่รู้อ ะ, อะไรคือโชคอะไรคือวาสนาก็ยังไม่รู้อีก อ, อะไรคือโชคก็ยังไม่รู้อีกลายไปกาล ก, กินีโอคนกาล ก, กินี คนการลิกนีหมายถึงคนอะไรเนะี่ยก็ยังไม่รู้อีกการลิกนีคืออะไรว่าเอาเฉยเฉยไม่รู้เหตุไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่มาไม่รู้จะไปแก่อะไรว่าไปแล้วไม่รู้จะไปแก่อะไรท่านยิงให้ปลงลงในกรรมเพราะเราปลงลงในกรรมแล้วมันมีที่แก้โอกรรมของเรานะวาจาของเราคําพูดของเราอาจจะไม่ดี กระทบหนึ่งกระทบสองกระทบเล็กกระทบน้อยกระทบผู้ใหญ่ผู้น้อยอยู่ร่ำไปอ๋อเป็นเห็นให้เราได้มาคำหนึ่งถึงกรรมของเราโอจะทำให้เราได้สํารวมได้ระมัดได้ระวังวจีกรรมกายกรรมคึกขนองอะไรอย่างนี้นะถ้าสัตว์ลักทรัพย์พระพุทธผิดในกรรมดื่มสุราเมรยัยเอากายลราไปดื่ม จะได้มาสารวจระมัดระวังเรื่องศีลเรื่องธรรมพิจารณาถึงเรื่องของกรรมมันสามารถจะโอ้พิจารณาไปนเออใช่เราผิดอ น, นั้นจริงเราผิดอ น, นั้นจริงเราผิ ด, ผดอ น, นั้นจริงเราก็ยอมรับแต่สําหรับเขานั้นอะไรจะผิดจริงอะไรเรื่องของเขาก็เราไม่รู้เขาอทุกคนทําอยู่อย่างนี้มีข้อปฏิบัติเป็นของใครของเรามีข้อปฏิบัติเป็นของใครของเราโอ้เมื่อปลงลงในกรรมมันมีมีที่แก้ ลปรงรงที่อื่นลรงลองใส่แผ่นดินต้นไม้ภูเขาการเวลาสถานที่อะไรเทวบุตเทวดาที่นู้นที่นี่จะมาสร้างจะมาทำอาศูนย์เปรตจะมาทาไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนนเมื่อเราโยนไปในสิ่งที่เราแก้ไม่ได้อันนี้พูดเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อปฏิบัติสำหรับรพวกเราเวลาเจอทุกเจ อ, อยากเจอลำบากดิน้นรนหานุนมาแก้หานี่มาแก้หานั้นมาแก้ไม่เคยดูพฤติกรรมของตัวเอง แท้ที่จริงพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละมันเป็นการสร้างกรรมโดยเหตุที่เราเริ่มลงมือทำกรรมในขณะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้สํารวมเราไม่ได้ระวังเราไม่ได้ใช้ปัญญานึกคิดตามความอยากแล้วก็ทํานึกคิดตามความอยากแล้วก็ทําผิดชอบชั่วดีไม่รู้เรื่องนึ้คิดตามความอยากแล้วก็ทํานึ้คิดตามความอยากแล้วก็ทําอย่าลืมว่าพอเราลงมือทําไปแล้ว กรรมเป็นนายเราอย่าลืมนะกรรมหนักกรรมเบากกรรมมากกรรมน้อยกรรมหนักกรรมเบาขนาดไหนก็ตามเราลงมือทำไปปุ๊บแน่เราเป็นทาตุมนแล้วเราเป็นทาตของกรรมละลงมือทำเหตุไปแล้วเดี๋ยวมันก็ให้ผลทำไปแล้วไม่มีผลได้ไหมกรรมบางอย่างมันก็อโหสิกรรมได้ กรรมบางอย่างทำลงไปแล้วต้องมีผลเนี่ยมันจะต้องให้มันไม่ให้ในการเวลาที่ล่วงไปก็ตามแต่มันให้ในขณะนั้นแหละมันให้ในปัจจุบันทันด่วนให้ในขณะนั้นเสร็จแล้วก็จบเป็นอโหสิกรรมไปขึ้นชื่อว่าเหตุที่เราทำลงไปแล้วจะไม่มีผลตามมาไม่มีต้องมีขึ้นชื่อว่าผลมีอยู่นทีใดจะต้องมีเหตุขึ้นชื่อว่าเหตุมีนาทีใดเราไปก่อนทีใด จะต้องมีผลตามมาเหตุพระอาทิตย์พระจันทร์ดินน้ำลมไฟอากาศไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่พฤติกรรมที่กายกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเราอันนี้แหละเป็นเหตุกระเทือนมาที่จิตของเรานําทุกข์นำโทษมาที่จิตของเราท่านจึงเราให้เร า, ใ ห, เราให้เราระมัดระวังบางทีเราไปฉลาดในเรื่องอื่นแต่เรื่องสํารวมระมัดระวังกรรมของตัวเองเ ร, ราไม่ฉลาดแล้วก็นอนรับกองทุกข์อยู่ร่ําไป ทำในที่ลับก็ทําได้ในที่แจ้งก็ทําได้เอาแต่ว่าอยากแล้วก็ทำอยากแล้วก็ทําอยากแล้วก็ทําบางทีไปในที่ลับไม่มีใครรู้ไม่มีที่ใครเห็นทำกรรมบางอย่างมันทิ่มแทงมาที่หัวใจของเราหลังจากเราทําลงไปแล้วลุกอํานาจทําลงไปแล้วมันก็เล่นงานเรารเพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องที่ชอบทำมันเป็นการใช้ปัญญา โอ้เรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมแล้วเราก็จะไปด้วยกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมให้เรามาเกิดกรรมดีเรามาเกิดในที่ดีกรรมไม่ดีก็ไปเกิดในที่เลวไม่มีคุณสมบัติพอไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นี่นี่คือกรรมเพราะอะไรเพราะสร้างเอาไว้ไม่พอทําเอาไว้ไม่พอไม่มีเกรดไม่มีดีกรีนะไม่มีคุณสมบัติพอไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาด้วยกรรม เพราะฉะนั้นท่านจึงว่ามาสว่างไปสว่างมามืดไปมืดมาสว่างไปมืดมามืดไปสว่างหมายถึงเกิดกับตายนี่แหละมาสว่างไปสว่างหมายความว่าสว่างมาแล้วบุญดีมาแล้วมาแล้วก็มาสร้างเสริมเติมต่อบุญเพิ่มเติมขึ้นมาอีกไปก็สว่างยิ่งสว่างเพิ่มขึ้น บางคนบุญส่องดีมาแล้วแต่มาอยู่ในแวดวงที่ไม่ดีแวดล้อมที่ไม่ดีกลับเป็นว่าทําตัวเองให้ตกต่ำมากกว่าเดิมไปมืดมาสว่างแต่ไปมืดเนี่แล้วคนบางคนก็มามืดไปมืดมาช่วยช้าลามอกมาแล้วมีคุณสมบัติแค่สอบผ่านเพราะได้เป็นมนุษย์แต่ขาดคุณสมบัติสติปัญญาไม่ดีเงอะเงะงะง ะ, ง ะ, งะบ้าบ้ า, บ า, บา จะมาสร้างเสริมคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมก็ทำไม่ได้มามืดไปมืดนมามืดไปมืดดีไม่ดีมีแต่กิเลสตัณหาวิ ช, ชา ห, ห่อหุ้มดวงใจด้วยแล้วสร้างเพิ่มเติมไปยิ่งมืดมิดเข้าไปอีกแล้วแต่ก่อนอาจจะลางเห็นบ้างอันนี้มื ด, ม, ดมิดเลยอาจจะบอดข้างหนึ่งข้างหนึ่งลางๆกลับคืนไปบอดสองข้างเลยอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบมามืดไปมืด บางพวกมามืดจะไปสว่างมามืดมายากแค่พอสอบผ่านเท่านั้นเองแต่มีคุณสมบัติพอมีสติมีสัมปชัญญะไม่บ้าปใบวิกลวิการอยู่ในแวดวงที่ดีะระลึกสํานึกรู้สึกตัวได้โอ้เรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมเราจะไปด้วยกรรมในเมื่อเราสร้างกรรมดีเราก็จะไปดีเราสร้างกรรมไม่ดีเราก็จะไปไม่ดีระลึกตั้งตัวได้ตั้งใจ ถือศีลรักษาศีลพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมเวลาไปดีเนะี่มามืดแต่ไปสว่างมาไม่ค่อยจะดีนะักแต่ไปดีนี่เราพูดถึงกรรมกายกรรมวิจีกรร ม, มโนโมกรรมพูดไปแล้วก็เอ๊ะกรรมข้อหลักก็มีแค่ที่ประกอบกรรมก็มีแค่สามอย่างนี่เองแค่นี้ทําไมเรารักษาไม่คุ้มอกายกรรมสงบระมัดระวังเข้ามาต้องมีศีล เพราะศีลมันเป็นเครื่องที่มากำกับที่กายกรรมศีลเป็นเครื่องมากำกับที่วัจีกรรมเราเป็นฆราวาสเราถือแค่นี้ได้เราถือศีลห้าได้บริสุทธิ์ไม่ดื่มสุราไม่ไรนี่เราถือว่าเรามีความสุขเป็นความสุขที่สุดเป็นลาบที่สุดเป็นยอดที่สุดเป็นเกียรติที่สุดสำหรับชีวิตจิตใจของเราเพราะเราไม่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจากการที่เราไปทุกข ทรมานจากกันไปผิดศินข้อหนึ่งข้อสองข้อสามบางคนปากพร่อยปากเปราะปากบออลปากพร่อยปากเปราะปากบอนคนปากบอนคนปากไม่เป็นสุขยูดิบดิบดีดพูดปั๊มปั๊มเปิบเปิพู ด, ปปปปปพดไปว่ามากระทบมูแนอไปคุยไป เ, ยเคียร์เกิดเรื่องเกิด ร, ราวเอ๊ะมาคิดได้ตามหลังเราไม่น่าเลยเราไม่น่าเลย ทำไมมันต้องมาเป็นเราทีหลังนี่คือเราไม่ได้ระมัดระวังแค่กายกรรมไวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้เราครบวงจรหมดมาตรงการตั้งใจรักษาสินประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมครบวงจรทั้งหมดเอากิริยากายวายจารมากำกับด้วยสินเอาสินมากำกับที่กายที่วิจารเอาสมมติฐ กับวิปัสสนากับปัญญามากำกับที่ใจอืจับรวมจิตไม่ให้มันเหอ่อขนองไปตามโ อ, อกตามสงสารให้จิตได้รับความสงบไม่วิ่งว้าวุ่นขุนมัวกับกิเลสทันหาราคะจนเกินไปให้จิตได้รับความสงบสงบจนอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวให้เป็นพื้นเป็นเพเป็นบาตเป็นฐานสร้างฐานชีวิตตรงนี้ให้ดีเสร็จแล้วเราจะไปเราก็จะไปดีปัญญาพร้อม ปัญญาพื้นๆ พ, พร้อมที่จะเกิดในเมื่อจิตเรามีความสงบปัญญาส่วนละเอียดเราก็อาศัยความสงบนี่แหละหนุนเข้าไปพิจารณาเข้าไปขุดคุยเข้าไปเห็นต้นต่อเห็นสมุทัยที่ชัดเจนแจ่มแจง้งเกิดเบื่อเกิดนายเกิดคล้ายเกิดจางได้อัดได้ทำนี่นี่คือที่ไปที่มาของเราเราอยู่ด้วยกรรมเราหมาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมและเราก็จะไปด้วยกรรม กรรมเหล่านี้ถ้าหากเรายังไม่ได้โลกุตรธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปถ้าเรายังไม่ได้เราปิดกั้นอบายไม่ได้แต่ถ้าหากเราได้โลกุตรธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันเนี่ยเราไม่ต้องไปอบายตายแล้วเราไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเป็นสัตว์ดิบชานเป็นอสุรกายไม่ต้องไปลงนรกอเวจีเพราะอะไรเพราะจิตมันเห็นโทษเต็มที่แล้วบางคนท่านตรัสรู้เร็วเป็นเอกภพชีถ้ายังจะจะต้องมีภบชาติอีกก็ไปเกิดแค่ภบชาติเดียวบางคนก็ได้ภบชาติเนี่ยได้บรรลุประสวดาบันนี้แล้วก็จากนี้ไปจนตายก็จะขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยแล้วก็พ้นไปได้ในอันธาพนี้ บางคนก็ไปเิดเกิดอีกหนึ่งชาติบางคนก็ไปเกิดอีกสองสาชาติแต่ไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาติวัฏสงสารที่ยืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเราก็สามารถชะล อ, อยอ่อได้แค่นี้ขนาดนี้หมายความว่าลดปริมาณกองทุกข์ในหัวใจของเราดีนี้สิ่งที่มันเหลือล้อนพ้นประมาณที่ทุกคนเนี่ยท่วมปากด้วยกันทั้งนั้นก็คือกองทุกข์ความทุกข์ทุกอะไรบ้าง ไปดูเองไปพิจารณาเองมีอะไรบ้างมาทิ่มแทงในหัวใจของเราเราเอาอะไรบ้างมาดัดมาแปลงมาแก้ไขอย่างอื่นเป็นสิ่งที่เรามาประกอบเป็นวิชาชีพวิชาชีพคือวิชาธรรมหากินแต่สิ่งที่ช่วยจิตของเราได้รับความสุขวิชาชีพก็ช่วยให้เราได้รับความสุขทางใจอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากเราเดินทางผิดเราก็ยิงทับถมตัวเองทับถมตัวเองทับถมตัวเอง ไปทํานู้นไม่ระมัดระวังก็ผิดไปทํานี้ไม่ระมัดระวังก็ผิดปากพร่อยพร่ก็ผิดโอ้ลาบากนะอมนุษย์เราเนี่ยในเมื่อเราเกิดมาแล้วเราแย่งกันอยู่เราแย่งกันทําเราแย่งกันอยู่เราแย่งกันเป็นเราแย่งกันใช้เราแย่งกันสอยแย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนยังว่านแหละแย่งทรัพย์สมบัติซึ่งการละกันเราพูดได้ว่าถึงกับขั้นวัยแย่งแย่ง บางคนแย่งเอาจริงๆหละพวกมิตรชายชีพมันแย่งเอาจริงๆเลยขโมยเอาไม่ได้เอาซึ่งซึ่งหน้านะทุบตีเอาบีบคอเอาอย่างเงี้ยอฆ่าแล้วก็เอาเฉยๆเลยฆ่าเอาแล้วก็ฆ่าให้ตายแล้วก็เอาเฉยๆอยู่เฉยๆเลยฉกวิ่งราวไปเฉยๆพวกมิตรชายชีพขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ ไม่ได้คำนึงว่าถูกว่าผิดเวลาโทษตามมาทำไมต้องเป็นเราทาไมต้องเป็นเราอืม <c oughs> อ้าวเลยเวลาไปตั้งห้านาทีแล้วไม่ได้พูดไม่ได้ถามเลยหนึ่งวันกนับนึงคืนได้ความอบอุ่นบ้างไหมได้ความเบาใจเบากายบ้างไหม ได้รับความสงบบ้างไหมพออัดแน่นในหัวอกหัวใจได้ความสว่างแป๊บแป๊ปัป๊ปปัญญาดวงปัญญาพอที่จะมาฉายแสงให้กับชีวิตจิตใจของเราบ้างไหมหรือมีจะทนกับทนทนกับทนทนกับทนท น, ทนได้ก็เป็นเรื่องดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีอดทนได้ก็เป็นเรื่องดี คันติตะโปตะปะัสเชโนนเอาขันตินั่นแหละเป็นตะปะัดแผดเผากิเลสขันติทีรัสะรังการโรเอาคันตินั่นแหละมักเป็นเครื่องประดับคันติเป็นพื้นที่แน่นหนามัน่นคงเราสามารถเหยียบทํางานได้อย่างสะดวกสบายถ้าจะเทีะบเหมือนกับพื้นสลายเยนี้เหมือนกับพื้นดินที่เราเดินเอาคันติเป็นพื้นเอาไปทํางานสําเร็จทุกอย่าง เอากันติเป็นพื้นเอาวิทยาเสริมเข้ามาเอาปัญญานำหน้าอืเอาความอดความทนเสริมเข้ามาเอาความเพียรเสริมเข้ามาเอาความฉลาดปัญญาก็คือความฉลาดนั่นแหละชอบนึกชอบคิดชอบใครครวญบันหากมีแวบหนึ่งนวดเข้ามาจับได้อแวบหนึ่งเข้ามาจับได้ช่วงขณะจิตเนี่ยปัญญามันแวบหนึ่งเขาเรียกว่าชาวนะชาวนะ ความเร็วของจิตปัญญาของจิตสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าความสงบหนุนโดยเหตุที่จิตงเรานิ่งเพราะนิ่งแล้วมันมักจะ ก, กระดุกกระดิกไปในทางที่ถูกแต่ถ้าหกจิตของเรามันมันไม่หยุดไม่นิ่งมันกระดุกกระดิกอยู่เรื่อยมันก็พาเรากระดุกกระดิกไปในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นระยะนี้เราพักแค่นี้ก่อนต่อไปเป็นเวลาอย่างอื่นของพวกเรา ยุติแค่นี้